สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนักกรรไกรคนชอบเล่าวันนี้ผมไปเจอนิทานดีๆมาหนึ่งเรื่องครับอาจจะเก่าแล้วหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วแต่ก็ไม่แน่ครับก็เลยเอามาลองเล่าให้ฟังกันดูเรื่องมีอยู่ว่านานมาแล้วมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอบอุ่นน่ารักอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะระดับกลาง ไม่ลำบากเกินไปและก็ไม่ใช่ว่าร่ำรวยผู้เป็นพ่อยังคงทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ผู้เป็นแม่ก็ยังต้องทำงานบ้านและก็หา j อบเล็กๆน้อยๆทำวันหนึ่งขณะที่ผู้เป็นแม่กำลังนั่งทำงานบ้านอยู่ที่หน้าบ้านของตนเองนั้นสายตาก็ได้เหลือไปเห็นชายชาลาขาสีขาวสามคนกนาลังเดินเข้ามาที่หน้าบ้านของตนเองเธอก็มองไปด้วยความแปลกใจเอ๊ะคุณตาสามคนนี้นี่ ไม่คุ้นหน้าเอาซะเลยเดินมาจากไหนเนี่ยและกําลังจะไปไหนเนี่ยสุดท้ายชาชราทั้งสก็มาหยุดที่ม้าหินตรงหน้าบ้านของเธอเธอจึงได้ถามว่าสวัสดีค่ะคุณตาไปไหนมาคะมีะไรช่วยหรือเปล่าคะชาชราหนึ่งในนั้นจึงตอบว่าแม่หนูขอโทษที น, นนะสามีของเธออยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยไม่อยู่จ้าเธอตอบเขาออกไปข้างนอกชาชราทุกคนเลยพูดพร้อมกันว่าถ้าอย่างนั้น พวกเราก็ไม่สามารถเข้าไปเดนบ้านของเธอได้แล้วแหละเอาไว้ทุ่งนี้พวกเราจะมาใหม่กันแล้วกันนะรัะชาชชราทั้งสามก็ลุกจากม้านั่งหน้าบ้านเดินจากไปสร้างความมึนงงและสงสัยให้กับเธอเป็นอย่างยิ่งเอ๊หรู้ว่าจะเป็นญาติของสามีเราและเย็ยนวันนั้นนั่นเองเมื่อสามีของเธอได้กลับมาถึงบ้านเธอก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังสามีจึงบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถึงตอนเช้าผมจะอยู่ดูเองว่า คนแก่สามคนนั้นน่ะเป็นใครไม่แน่อาจจะเป็นญาติของผมก็ได้จติรักเช้าวันรุ่งขึ้นตามนัดชายชาราทั้ง3มก็เดินกลับมาที่บ้านของเธออีกพร้อมมานั่งที่ม้านั่งหน้าบ้านเหมือนเดิมเมื่อภรรยาเห็นก็รีบไปบอกกับสามีที่รักที่รักคะเขามากันแล้วคะ่ะเชิญเอาไปดูเร็วว่าใช่ใญาติของเธอหรือเปล่าเนี่ยสามีจึงบอกว่าไม่ต้องหรอกไปเชิญเขาเข้ามาข้างในบ้านกันเลยดีกว่าแต่เมื่อเธอไปเชิญ ชายชาะาทั้งสามกลับตอบว่าเราเข้าไปในบ้านพร้อมกันไปได้หรอกจ้าเพราะเหตุใดหรือท่านเธอก็ถามด้วยความสงสัยมันเป็นกฎของพวกเราสามคนชายชาะาคนหนึ่งในกลุ่มนั้นจึงลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าเรามีอำนาจวิเศษเราจะทำให้เจ้าเห็นว่าเรามีพลังอะไรว่าแล้วชายชาะาคนนั้นก็เสกเงินเสกทองขึ้นมาให้อยู่ตรงหน้าเป็นกองพนินทึนทึกทให้เธอตกใจมาก ตาลูกวาวเมื่อมองเห็นเงินเห็นทองที่มากมายกองอยู่ตรงหน้ารีบวิ่งกลับไปบอกสามีในบ้านและบอกลูกให้ออกมาดูที่รักที่รักเกิดเรื่องแปลกแล้วคุณตาคนนี้ก็เสกเงินเสกทองได้ด้วยอยู่หน้าบ้านเร็วมาดูเร็วเมื่อทั้งสามคนพ่อแม่ลูกออกไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านกันแล้วก็ได้เห็นว่ามีเงินมีทองกองอยู่หน้าบ้านจริงๆยังไม่ทันที่จะถามอะไรชายชราชายชราคนนั้นก็ตอบว่าข้าชื่อความมั่งคั่ง ถ้าหากว่าพวกเจ้าเชิญข้าเข้ามาในบ้านแล้วละก็ข้าก็จะสามารถเสกความร่ำรวยให้กับพวกเจ้าได้ภรรยาและสามีต่างมองหน้ากันและนึกเห็นท้องต้องกันว่าเราหน้าจะเชิญชายชราคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านเล้นะยังไม่ทันที่กําลังจะเชื้อเชิญชายชราคนที่สองลุกขึ้นและแสดงพลังอานาจบ้างเขาเสกให้เลื้อกสวนไรนาที่กําลังเพาะปลูกใหม่ๆของบ้านหลังนี้ออกดอกออกผลอุ่นหนาฝาครั้ง มีผลผลิตมากมายอุดมสมบูรณ์อย่างมากน้ําในลําธารที่แห้งขอดอยู่ใกล้ๆบ้านก็ค่อยๆเ อ, อือขึ้นมาจนแทบจะล้นขอบตลิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ครอบครัวที่เคยวาดฝันไว้ก็สําเร็จลงง่ายได้ชายชราคนที่สองเลยพูดขึ้นว่าข้าหลาะชื่อความสําเร็จถ้าเจ้าเชิญข้าเข้ามาในบ้านทุกสิ่งที่เจ้าคิดเจ้าอยากได้ตั้งใจเจ้าก็จะสําเร็จดังที่ข้าทําให้เจ้าดูอยู่นี้เอาแล้ว เมื่อสามีและภรรยาได้เห็นอนุภาพของชายชราคนที่สองก็ให้นึกว่าชายชราคนที่สองนี่ก็น่าจะเข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนกันนะแต่ฝ่ายสามีก็บอกว่าผมว่าคุณตาคนที่หนึ่งเนี่น่าเชิญมากกว่าฝ่ายภรรยาบอกว่าฉันว่าคุณตาคนที่สองก็น่าเชิญนะเพราะว่าเข้ามาไงก็มีแต่ความสำเร็จความมั่งคั่งสามีจึงบอกว่าที่รักที่รักเราเชิญตาคนแรกเข้ามาในบ้านเราดีกว่านะ เราจะได้ด่ำรวยมีเงินมีทองไม่ต้องลำบากยากจนกันอีกต่อไปฝ่ายภรรยาจึงบอกว่าเอาตาคุณที่2ดีกว่าเชิญตาคุณที่2เถอะเพราะตาคุณที่2เนี่ยเราก็จะอยู่กันแบบอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องลำบากขัดสนผมว่าเราเชิญคุณตามั่งคั่งเข้ามาเถอะภรรยาก็บอกว่าไม่เอาเอาคุณตาความสําเร็จดีกว่าเอาเข้ามาเถอะสามีเรา บ, บอกว่าถ้าหากเรามีเงินมากมายอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะสําเร็จไปเองไม่ใช่หรือ เราจะซื้ออะไรก็ได้ตามที่เราต้องการภรยาจึงว่าแต่เราจะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้เพราะบางสิ่งบางอย่างเงินก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันเราต้องมีที่เพื่อทำมาหากินและมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์จึงจะมีครอบครัวที่มีความสุขและที่รักต่างฝ่ายต่างเริ่มถกเถียงกันไปเรื่อยจักจบสิ้นเริ่มหาข้อดีข้อเสียมาโต้แย้งกันและกันจนเริ่มจะทะเลาะกันลูกชายตัวน้อยๆของทั้งสองได้แต่ยืนอยู่เฉยๆและจึงเดินเข้าไปถามชายชราคนที่3ว่าคุณตาครับ คุณตาทําอะไรให้เกิดขึ้นได้บังครับชัยชราคนที่สามไม่แสดงอํานาจเลยเหมือนอย่างที่ชัยชราทั้งสองทำได้แต่ทําเพียงแต่ว่านั่งลงและกอดเด็กน้อยไว้พร้อมกับสิบว่าหนูน้อยเอ้ยเจ้าจงไปหาพ่อแม่ของเจ้าและกอดทันไว้เหมือนกับที่ขาทํานี่เธอเด็กน้อยก็เชื่อฟังคําของชัยชราคนที่สาอย่างดีวิ่งก็ไปหาพ่อแม่และก็ขอให้พ่อแม่หยุดทะเลาะ ก, กันซึ่งทั้งพ่อและแม่ก็ยังไม่ยอมที่หยุดเถียงกัน จึงได้แต่กอดพ่อทีกอดแม่ทีคนละทีไปหลังจากที่หนูน้อยได้กอดคนเป็นพ่อคนเป็นพ่อจึงหยุดลงกลับมามีสติหนูน้อยก็วิ่งเข้าไปกอดผู้เป็นแม่ผู้เป็นแม่ก็หยุดลงพร้อมกับมีสติมองหน้ากันด้วยน้ําตาที่คลอเบ้าและก็รู้สึกผิดจึงได้บอกลูกชายว่าพ่อกับแม่นี่แย่จังเลยมัวแต่ทะเลาะ ก, กันเถียงกันจนลืมนึกถึงหนูเลยพ่อกับแม่ขอโทษนะ ฝ่ายสามีจึงถามชายชะาคุณที่สามว่าท่านตาและท่านมีชื่อว่าอะไรละ่ะข้ามีชื่อบความรักชายชราคุณที่สามตอบถ้าเช่ น, นั้นขอเชิญท่านเข้ามาในบ้านของเราเถิดสามีหันไปมองหน้าภรรยาซึ่งภรรยาก็มีความเห็นเดียวกับสามียิ้มแล้วก็บอกว่าเชิญคุณตาเข้ามาในบ้านของเราค่ะและเมื่อชายชราคุณที่สามกำลังจะลุกเดินเข้าไปในบ้านชายชราทั้งสองคนก็ลุกและก็เดินตามเข้ามาด้วยอ้าว ทำไมท่านทั้งสองจึงตามเข้ามาด้วยล่ะผู้เป็นสามีถามไหนท่านว่าสามารถเข้าได้แค่คนเดียวเท่านั้นไม่ใช่เหรอและข้าก็เลือกคุณตาที่ซื่อบอกความรักแล้วนี่ชายชาราผู้วิเศษอีกสองคนจึงตอบว่าเถ้าเจ้าเลือกระหว่างข้าความมั่งคัง่งหรือตาผู้มีความสําเร็จใครคนใดคนหนึ่งนี้อีกสองคนจะอยู่ข้างนอกและจากไปตลอดการแต่เมื่อเจ้าเรียกเชิญความรักที่ใดที่คุณตาที่มีชื่อว่าความรัก ได้เดินเข้าไปเราทั้งสองคนก็จะเดินตามเข้าไปด้วยเสมอไม่เคยห่างกันไม่มีวันพลาดจากกันนับตั้งแต่นั้นครอบครัวนี้จึงอยู่กันแบบมีความสุขมีทั้งความสาเร็จความมั่งคัง่งเพราะว่ามีพลังแห่งความรักเป็นพลังที่นำทางชีวิตเป็นความจริงเสมอว่าความรักนั้นบรนดานทุกสิ่งความรักของคนในครอบครัวช่วยผลักดันให้ทุกคนสู้ไม่มีท้อถอยตอบใจกัน ปึกษาหาเรือกันได้จึงบังเกิดถึงความสมบูรณ์ทาง จ, จิตใจเมื่อความสมบูรณ์ทางจิตใจเกิดขึ้นมาความสมบูรณ์ทางร่างกายก็จะไม่ขาดแคลนนิทานเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าความรักและความสมานฉันท์ในครอบครัวย่อมก่อให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพาไปสู่ความสําเร็จได้นิทานก็จบเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ